ถ้าเทศธรรมะอยู่ก็ขอให้นั่งเฉยๆไปอย่าเข้ามารบกวนเพราะว่าเวลาแสดงธรรมก็เหมือนกับกำลังใช้หนังเวลาฉายหนังคนดูก็ต้องการดูอย่างไม่มีการรบกวนถ้าดูใช้ดูหนังอยู่เดี๋ยวคนเข้ามาเขาต้องปิดหยุดฉายหนังแล้วมาใชยต่อมันก็ทำให้เสียรสชาติไป ถ้ามีการฟังมีการพูดธรรมะอยู่ก็ถ้าเข้ามาทีหลังก็เข้ามานั่งฟังกันอย่าพึ่งทำอะไรการฟังธรรมจะได้ประโยชน์นเมื่อทุกคนตั้งใจฟังนั่งตั้งใจฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่งกายต้องนั่งเฉยเฉยไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรต่างๆ วาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กำลังฟังอยู่จะได้เกิดความเข้าใจการฟังธรรมนี้จะได้เกิดประโยชน์อยู่สองแบบด้วยกันประโยชน์อันหนึ่งก็คือได้ความสงบได้สมาธิ ประโยชน์อีกอันหนึ่งก็ได้ปัญญาได้ความรู้ฟังแบบไหนได้สมาธิก็บางทีเราฟังธรรมแล้วเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายของธรรมแต่เราก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆใช้เสียงเป็นเหมือนอารมณ์กล่อมใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฟังอยู่ที่เสียงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไป ก็จะทำให้ใจสงบแต่ถ้าฟังแล้วคิดตามได้นึกตามได้นึกภาพตามทมที่แสดงได้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาด้วยเกิดความสงบด้วย mm hmm. ฟังได้สองแบบแบบสมาธิอย่างเดียวกับแบบสมาธิกับปัญญาได้ความสงบได้ความรู้ได้ความฉลาด ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องพวกเราตอนนี้มีความเห็นไม่ถูกต้องกันเราจึงต้องเข้าหาธรรมะเหมือนคนโบราณที่เขาเห็นว่าโลกนี้แบนโลกนี้แบนนี่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะความเห็นที่ถูกต้องนี้ต้องเห็นว่าโลกนี้กลมแต่สมัยก่อน ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาะพิสูจน์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีจรวดมีกล้องถ่ายรูปเนี่ยส่งจรวดขึ้นไปถ่ายรูปในอวากาศกลับมาก็เห็นโลกนี้เป็นโลกกลมสมัยก่อนเราอยู่บนผิวโลกเรามองไปที่ไหนก็รู้สึกว่ามันลาบมันแบน เพราะผิวโลมันกว้างใหญ่ไพศาลเราเลยไม่รู้ว่ามันโค้งว้าว่ามันกลมแต่ก็มีคนฉลาดบางคนเขาก็คิดได้ว่ามันกลมเพราเวลาเขาดูเรือที่เข้ามาจากทะเลถ้าโลกมันแบนมันจะต้องเห็นเรือตัวเรือพร้อมกันหมดตั้งแต่เสาธงลงมาถึงตัวเรือ แต่มันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมันเห็นส่วนที่สูงก่อนเห็นเสาธงก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยเห็นเลื่อนลงมาจนถึงเห็นลำเรือนั่นก็เพราะว่าผิวที่เรือวิ่งเข้ามามันโคง้งเหมือนคนขี่ม้าข้ามเขามาเวลาขี่ม้าข้ามเขามาจะเห็นจะเห็นคนขี่ก่อนจะเห็นตัวมา้า เห็นส่วนที่สูงก่อนแล้วก็เห็นส่วนที่ต่ำเขาก็เลยสรุปได้ว่าผิวโลกนี้มันโค้งมันเว้ามันต้องกลมอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องพวกเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องอยู่คือว่าเราไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่เรา เราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ไปคิดว่าร่างกายเป็นเราแต่ร่างกายนี้มันเป็นอเป็นตุกตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ปั้นขึ้นมาให้กับเราพ่อแม่สร้างร่างกายนี้ให้กับเราเราเป็นใจ ึ่งตอนที่เราไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเราเป็นดวงวิญญาณตอนที่เราไม่มีร่างกายพอเราได้ร่างกายจากพ่อแม่มาดวงวิญญาณมาเกาะร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาเราก็เลยเป็นฝาแฝดเป็นฝาแฝดกับร่างกายแต่เรามองไม่เห็นตัวเราเพราะตัวเราไม่มีร่าง รูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่ความจริงร่างกายเป็นเพียงตุ๊กาตาตัวหนึ่งหรือเป็นฝาแฝดของเราที่เราอยู่ติดกันแล้วเราก็ใช้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆให้กับเราเราเป็นผู้คิดผู้สั่ง เร็นร่างกายเราจะมาที่นี่ได้เราต้องคิดก่อนใช่ไหมวันนี้จะมาวัดเจะมาทําบุญพอคิดเสร็จก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางขึ้นมาตอนที่เกิดมาใหม่ๆเราก็เหมือนกําลังหัดขับร่างกายเหมือนหัดขับรถตอนที่เราเป็นเด็กนี่เรายังไม่สามารถสั่งให้ร่างกายเอเดินยืนวิ่งได้เราต้องหัดขับมันตอนที่เราเป็นเด็ก ตอนต้นก็หัดคานก่อนหัดคานหัดยืนหัดเดินแล้วก็หัดวิง่งแล้วก็หัดทำอะไรต่างๆต อ, ตอนนั้นเหมือนกำลังหัดขับรถร่างกายนี้เป็นเหมือนรถเราเป็นเหมือนคนขับรถเวลาเราขับรถใหม่ๆเราก็ต้องหัดขับกันใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเบรกอยู่ตรงไหนคันเร่งอยู่ตรงไหนพวงมาลัยทาหน้าที่อะไรอย่างไร ต้องหัดไปต่อไปพอเราชำนาญแล้วเรากับรถก็เป็นเหมือนคนเดียวกันพอเข้าไปในรถปับ๊บสตาร์ทปุ๊บวิ่งได้ทันทีเลยเป็นเหมือนอัตโนมัติร่างกายนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราได้มาใหม่ๆตอนที่เราออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆนี่เราขับมันไม่เป็นแต่ต่อมาเราก็ค่อยๆเรียนรู้วิธี สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆจนในที่สุดมันก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดเลยเพอนึกปั๊บจะทําอะไรมันก็ทําได้ทันทีโดยอัตโนมัติมันก็เลยทําให้เราเนื่องจากเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายใจนี้หรือดวงวิญญาณนี้เป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปปัตธรรม ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวนี้มันจึงไม่เห็นตัวเองเราไม่เห็นตัวเราเองเราไปเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราเราจึงไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะเราได้มันมาตั้งแต่เราก็ออกมาจากท้องแม่แต่ความจริงร่างกายมันเป็นเหมือนรถที่เราได้มาจากโรงงาน เราไปรับรถที่โรงงานเวลาที่เขาผลิตรถยนต์เราก็ไปจองว่าเอารถคันนี้นะพอเขาผลิตรถยนต์เสร็จเราก็นั่งขับออกมาจากจากโรงงานเลยเรากับรถก็เลยเป็นคนเดียวกันไปโดยอัตโนมัติเรากับร่างกายก็เลยกลายเป็นคนเดียวกันอันนี้เป็นความเห็นผิดไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริง ควาเป็นจริงต้องเห็นว่าเรากับร่างกายเป็นฝาแฝดเราเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องเราเป็นคนสั่งให้แฝดน้องทำอะไรต่างๆเราต้องการอะไรเราต้องใช้แฝดน้องเป็นคนเอาไปให้ไปเอามาให้กับเราเราชอบดูอะไรเราก็ต้องสั่งให้ตาไปหารูปมาให้เราดูเราชอบฟังเสียงอะไรเราก็สั่งให้ ร่างกายไปหาเสียงเข้ามาทางหูชอบรสอะไรชอบกลิ่นอะไรเราก็สั่งให้มันไปหารสหากลิ่นมาเอาเข้ามาในปากเนี่ยอาหารต่างๆของกินต่างๆเนี่ยเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปเอามาเราแต่เราไม่ได้กินผู้กินคือร่างกายเราเพียงแต่มีความรู้สึกว่าเราได้กิน เาใจไแต่เราไม่ได้กินผู้ที่กินคือร่างกายแต่เราเพียงแต่รู้สึกว่าโอเราได้กินของชนิดนั้นชนิดนี้มีรสอย่างนั้นมีรสอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนั้นมีกลิ่นอย่างนี้แต่เราไม่ได้กินเองเราเป็นเพียงแต่ผู้รู้รู้ว่าร่างกายกําลังกินให้นั่นกินให้นี่แล้วเราก็ไปมีความสุขกับการกินของร่างกาย ส่วนตัวร่างกายเองมันไม่รู้ว่าม huh? ันก er. ินอะไรเพราะตัวร่างกายมันไม่ม like ีความรับรู้เหมือนกล้องถ่ายรูปนี้มันไม่มีมันไม่รู้ว่ามันถ่ายรูปอะไรแต่คนที่ถ่ายละรู้ว่ากำลังถ่ายรูปอะไรคนที่ถ่ายรูปนี้ก็เหมือนใจกล้องถ่ายรูปนี้ก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายมีตามองเห็นรูปแต่ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเห็นรูปอะไร แต่คนที่รู้คือใจเนี่ยเป็นคนรู้แล้วก็ไปดีใจไปเสียใจกับรูปที่ที่ร่างกายไปไปเห็นเขาถ้าไปเห็นรูปที่ชอบก็ดีใจมีความสุขถ้าไปเห็นรูปที่ไม่ชอบก็เสียใจมีความทุกข์เนี่ยนี่คือเรื่องของใจกับร่างกายเราต้องเข้ามาทำความเข้าใจมีความเห็นได้ถูกต้อง แล้วเราจะสบายใจตอนนี้เราไม่สบายใจกันเพราะเราไปเห็นมีความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงกับความเป็นจริงเราไปเห็นว่าเราเป็นร่างกายเนี่ยร่างกายมันจะต้องมีปัญหาตามมาร่างกายมันอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อาจจะเจออุบัติเหตุอาจจะเจอภัยอะไรต่างๆ เวลาเกิดภัยต่างๆมันเกิดที่ร่างกายแต่มันไม่ได้เกิดที่ใจนะเหมือนกับเวลาร่างกายกินอะไรก็เป็นร่างกายที่กินแต่ใจไม่ได้กินแต่ใจไปดีใจเสียใจกับการเป็นอะไรไปของร่างกายเวลาร่างกายได้ทำอะไรที่ใจชอบใจก็ดีใจมีความสุขเวลาร่างกายไปทำอะไรที่ใจไม่ชอบใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเรารู้ว่าเรากับร่างกายไม่ได้เป็นคนเดียวกันเหมือนกับเราเห็นคนอื่นเขาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไะมคนอื่นจะลื่นหกล้มจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะแขนขาดขาขา ด, ขาดเราเห็นเราก็เฉยเฉยเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาแต่ร่างกายเรานี่เราไม่รู้ว่า เป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ได้เป็นเราเป็นไม่ได้เป็นเราเหมือนกันถ้าเราเห็นความจริงันนี้ได้ถ้าเราแยกใจเราออกจากร่างกายได้เราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายถ้าร่างกายแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกาย เราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมอยู่เราเป็นเพียงผู้รับรู้รับรู้เรื่องต่างๆของร่างกายถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปต่างๆของร่างกายเพราะร่างกายมันจะต้องมีเหตุการณ์มีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ เดี๋ยวก็มีความสุขกับเรื่องนั้นมีความสุขกับเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้าเรามองว่ามันไม่ได้เป็นเราเหมือนเรามองคนอื่นเวลาคนอื่นเขามีสุขมีทุกข์เราก็ไม่เห็นสุขทุกข์ไปกับเขาเวลาเขาเขาเจ็บเราก็ไม่ได้เจ็บไปกับเขาเพราะเราแยกเราเราเราแยกละตัวเราออกจากเขาได้ แต่เราแยกตัวเราออกจากร่างกายเราไม่ได้เราเลยต้องมาเดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายเพราะความหลงของเราหลงจนกระทั่งคิดว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเป็นอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแนละ้วเราไม่มีเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปกับร่างกาย เหล่านี้เป็นตัวรู้ตัวคิดอยู่อย่างทุกเวลานาะทีตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นตัวรู้ตัวคิดอยู่ไม่ได้โตขึ้นไม่ได้ไม่ได้แก่ลงตัวรู้ตัวคิดนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้มันต้องมีวันแก่มีวันเจ็บมีวันตายถ้าเราสามารถาทําความเข้าใจ มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วแยกตัวรู้ตัวคิดออกจากร่างกายได้เราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเราไปหลงคำว่าหลงก็คือมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเหมือนคนโบราณนี้ไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆไม กลัวถ้าไปพน้นไปถึงขอบฟ้าแล้วมันจะตกออกนอกโลกไปในชะ่ถ้ามันถ้ามันแบนเหมือนโต๊ะเงี้ยถ้านั่งไปเรือไปถึงขอบโต๊ะเข้ามนพอพ้นขอบโต๊ะมันก็ตกลงไปเหมือนเป็นน้าตกลงไปนะคนก็ไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆกันกลัวเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้กลับบ้านนะ แต่คนที่ฉลาดรู้ว่าโลกนี้มันกลมเขาก็ไม่กลัวเขาก็นั่งเรือไปได้นั่งไปเท่าไหร่เขาไม่มีตกจนกระทั่งย้อนกลับมาที่เดิมเพราะมันเป็นวงกลมเนี่ยเขาอะไรพิสูจน์ได้ว่าอ๋อโลกนี้มันกลมเนี่ยนั่งเรือบุงไปทางทิศตะวันตกเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆตาม ที่น้ํามีน้ําทะเลตรงไหนก็วิ่งไปตั้งเข็มทิศให้มันไปทางทิศตะวันตกเดี๋ยวมันกลับมาจุดที่จุดเริ่มต้นฮะเพราะมันเป็นวงกลมเลยนะถ้าเราเป็นวงกลมนี่เราไม่ต้องวิ่งถอยหลังแล้วเราวิ่งไปข้างหน้าตามวงกลมเดี๋ยวมันก็กลับมาตรงที่จุดที่เราเริ่มต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของมีความเห็นที่ถูกต้องะ เรียกว่าปัญญาความรู้ความฉลาดส่วนความโง่ก็คือความหลงเห็นผิดเป็นถูกเห็นสิ่งที่กลมว่าแบนอย่างนี้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเราไปเห็นร่างกายนี้ที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราแล้วเป็นไงเดือดร้อนไหมพอไปเห็นว่ามันเป็นตัวเรา มันเป็นอะไรนิดเป็นอะหน่อยขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเหตุที่ทำให้เราทุกข์กับร่างกายก็เพราะความอยากของเราเองความอยากที่ให้อยากให้ร่างกายเราดีไปเรื่อยเราไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไร อยากให้สวยไปเรื่อยๆอยากให้หล่อไปเรื่อยๆหอยากอยากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆไม่มีใครอยากให้ร่างกายแก่อยากให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายแต่ของเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับอยากให้ โลกกลมมันแบนมันเป็นไปไม่ได้โลกมันกลมจะไปให้มันแบนไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมชาติของร่างกายจะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้แต่เวลาอยากแล้วมันทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังใจอยากเวลาเราได้อะไรตามใจอยากเราจะไม่ทุกข์ใช่ ถ้าเราอยากให้ร่างกายไม่แก่แล้วมันไม่แก่นี่เรายดีใจแต่พอเราอยากให้มันไม่แก่แล้วมันแก่เราก็เลยไม่สบายใจเน้นปัญหาของเราอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ความจริงของร่างกายไม่รู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวาละ ตามวงจรของมันวงจรของร่างกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกคนไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่ตายกันตายกันทุกคนไปดูคนที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่มีเหลืออยู่มาถึงวันนี้ไหมไปที่กรุงศรีอยุธยาไปเจออะไรเจอแต่ซากกหลักหักพังไง คนที่อยู่ในสมัยนั้นหายไปไหนหมดแล้วกลายเป็นขี้เถ้าไปหมดแล้วถ้าเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปหมดเหลือแต่เศษกระดูกเวลาไปขุดหลุมไปขุดหลุมศพเนี่ยเจอแต่เศษกระดูกแต่คนที่เคยอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีแล้วเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของทุกทุกคน แต่ทำไมพวกเราทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมไปอยากให้มันไม่ตายแล้วมันได้หรือเปล่าอยากแล้วให้มันอยากแล้วได้ดังใจอยากหอเปล่าถ้าอยากแล้วได้ดังใจอยากมันก็ดีเลยมันจะได้ดีใจอออยากได้เงินก็ได้เงินอยากไม่แก่ก็ไม่แก่อยากไม่เจ็บก็ไม่เจ็บ แต่พอมันไม่ได like like like ้ดังใจอยากมันก็เลยทุกข์ใจความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉนั้นวิธีแก้ความทุกข์ใจของพวกเรานี้ง่ายมากก็คืออย่าไปอยากได้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตาย พอเราไม่มีความอยากแล้วเวลามันแก่เราก็ไม่ทุกเวลามันเจ็บเราก็ไม่ทุกเวลามันตายเราก็ไม่ทุกแต่ทำไมเราหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังสู้ความอยากเราเคยเป็นทาสของความอยากมาจนกระทั่งเราไม่มีกำลังที่จะสู้กับมันมันอยากได้อะไรนี้เราต้องเอาไปหาให้มันทันที มันอยากได้กระเป๋าก็ไปหามาทันทีอยากได้รองเท้าอยากได้อะไรนี่พอพอมันอยากแล้วนี่ต้องไปหาให้มันถ้าไม่หาให้มันมันจะ <c oughs> อะมันจะลงโทษเรามันจะซาแดงอาการอึดอัดสแสดงอาการไม่พอใจขึ้นมาเราจึงทนไม่ไหวเราเลยต้องยอมมัน ทุกครั้งเวลามันอยากได้อะไรนี่ต้องไปทำตามมันทีถ้าทำตามมันได้มันก็หายอยากพอมันหายอยากมันก็รู้สึกสบายเวลาที่เราไปอยากได้อะไรแล้วพอไปได้สิ่งที่เราอยากได้มานี่ก็รู้สึกสบายเบาอกเบาใจแต่มันเบาอกเบาใจเดียวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่มาอีกล้ อยากได้นี่เลยพอได้แล้วทีนี้ก็อยากได้นั่นต่อเนะี่ยเนี่ยตอนนี้กําลังอยากได้สอสอกันเนีนะเดี๋ยวพอได้สอสอแล้วเดี๋ยวไม่นานก็อยากได้รัฐมนตรีแล้วสิพอได้รัฐมนตรีแล้วทีนี้ก็อยากได้ไปอยู่นานๆลนละ้ความอยากมันจะขยายไปเรื่อยๆความอยากไม่มีขอบเขตเหมือนท้องฟ้าไม่เหมือนน้าทะเล ทะเลนี้มหาสมุทรยังมีขอบมีฝั่งนะแต่ความอยากนี่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันมีแต่จะขยายออกไปกว้างขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆได้คืบ ก, ก็อยากได้สอกเห็ไได้สอกก็อยากจะได้วาเห็นไมสมัยเด็กๆนี่ได้วันละร้อยบาทก็ดีใจนะทีนี้เดี๋ยวนี้ได้วันละร้อยบาทดีใจนะัหม ได้วันละพันยังไม่รู้สึกดีใจวันละหมื่นดีใจหรือเปล่าบางคนวันละหมื่นนี่ก็ไม่ดีใจถ้าเคยได้วันละแสนแล้วพอมาได้วันละหมื่นก็ไม่ดีใจถ้าได้วันละแสนแล้วต้องได้วันละล้านถึงจะดีใจอันนี่คือปัญหาของใจคือความอยากนี่เองที่มันคอยมาสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา เวลาที่เราไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้ที่เราทุกข์กันเสียใจกันร้องห่มร้องไห้กัน <c oughs> ก็เพราะว่าไม่ได้ตางดั ง, ด, งดังใจอยากอยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทำให้เาราก็เสียใจน้อยใจโกรธนี่ขอร้องให้เขาช่วยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้หน่อยพอเขาไม่ทำให้ก็โกรธเสียใจ แต่ถ้าไม่ไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรใช่ไหมค่ะอ่าฉนั้นปัญหาของเราก็คือความอยากไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้ไม่มีปัญหากับเราถ้าเราไม่ไปอยากกับเขามันจะมาเป็นปัญหาต่อเมื่อเราไปอยากแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อย่างนั้น ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเสียใจมาทุกข์ใจมาผิดหวังก็อย่าไปอยากได้มันือนี่เราเราหยุดความอยากเองไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยฝืนมันไม่เคยหยุดมันเหมือนขับรถนี่รู้แต่คันเร่งแต่ไม่รู้จักเบรกไม่เคยเหยียบเบรกหาเบรกไม่เจอ รู้แต่คันเร่งอย่างเดียวเอรู้สึกว่าต้องการไปเร็วก็เหยียบคันเร่งให้มันเร็วได้แต่เวลาจะหยุดนี่มันหาคันหาเบรกไม่เจอไม่รู้เบรกอยู่ตรงไหนเวลาเรียนขับรถเขาไม่สอนว่าเบรกซ่อนอยู่ตรงไหนเห็นแต่คันเร่งพอถึงเวลาจะเบรกมาสี่แยกไฟแดงเบรกไม่ได้ก็เลยต้องไปเกิดอุบัติเหตุชนกัน ใจของพวกเราตอนนี้เหมือนใจที่ไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งคือความอยากความอยากนี้มันจะเร่งให้ใจเราไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ไปเอาสิ่งนั้นเอาสิ่งนี้มาแต่มันไม่มีเบรกที่จะมาบอกว่าตรงนี้ไฟแดงนะไปไม่ได้นะเอาไม่ได้นะก็ยังอยากเอาอยู่ เช่นความแก่นี่เป็นไฟแดงนะความเจ็บนี่เป็นไฟแดงความตายนี่เป็นไฟแดงไปอยากไม่ได้นะอยากแล้วทุกนะอยากแล้วจะต้องเกิดอุบัติเหตุเหมือนถึงสี่แยกไฟแดงแล้วอย่าไปเหยียบคันเร่งนั่นต้องเหยียบเบรกนะแต่ถ้าไม่รู้ว่าเบรกอยู่ที่ไหนรู้แต่คันเร่งมันก็จะเหยียบแต่คันเร่ง มันก็จะอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายถึงแม้นอนโรงพยาบาลก็ยังอยากจะไม่ตายหมอบอกว่ารักษาไม่หายก็ยังอยากไม่ตายอยู่นั่นแต่ถ้ามันห า, หาเบรกเจอพอป่งได้ไหมเอา้าตายแ น, น่ๆกูไม่อยู่ไม่ได้แล้วยอมรับความตายได้มันก็หายทุกได้เวลาเวลาปองได้แล้วรู้ว่าต้องตายจริงๆนี่ แล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วยอมตายได้ใจที่วุ่นวายก็จะสงบได้หายทุกข์ได้แต่บางทีมันต้องให้มีเหตุการณ์มาบังคับมันถึงจะยอมถ้าไม่มีเหตุการณ์มาบังคับนี่มันจะมันจะไม่ยอมความอยากมันจะไม่ยอมดังนั้นเราต้องมาหาวิธีหยุดความอยากกันให้ได้ เราจะหยุดความอยากได้รู้จักวิธีหยุดความดากได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอคนที่รู้รว่ า, าตัวที่จะหยุดความอยากนี้อยู่ตรงไหนคนที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกนก่อนหน้านี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุนี่ไม่มีใครรู้จักวิธีหยุดความอยากกัน ไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันทำให้เราเครียดกันทำให้เราเสียใจกันทำให้เราไม่สบายใจกันกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดเจ็บลาคาญใจนี้ความรู้สึกเหล่านี้เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้านอกจากรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้ว ยังรู้วิธีที่จะหยุดความอยากด้วยอ่งคนพบวิธีที่จะหยุดความอยากทรงคนพบเบรกเบรกที่จะมาหยุดความอยากหยุดใจที่จะไปอยากได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะมาหยุดความอยากได้นี้ก็คือสติกับปัญญานี้เองถ้ามีสติมีปัญญา อันนี้แหละเป็นเบรกถ้าได้สติตัวเดียวก็จะเบรกได้ชั่วคราวถ้าได้ปัญญาด้วยก็จะเบรกได้อย่างถาวรกำจัดความอยากได้อย่างถาวรต้องกำจัดด้วยปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาก็เบรกด้วยสติก่อนใช้สติหยุดความอยากได้พอเวลาความอยากหยุดทำงานปั๊บ ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปแต่จะหายไปยเฉพาะเวลาที่เรามีสติควบคุมใจให้ใ ห, ให้หยุดคิดแต่พอสติหมดกําลังมันก็จะเริ่มคิดเริ่มอยากใหม่พอเริ่มคิดเริ่มอยากใหม่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันไม่คิดไม่อยากนี้ต้องใช้ปัญญา พอออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้วพอมันจะคิดไปทางความอยากก็ให้ปัญญามาสอนว่าห้ามคิดไปในทางนี้เพราะว่ามันมีแต่จะเป็นความทุกข์ตามมาเพราะว่ามันจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองอยากไม่แก่มันจะไม่ได้อยากไม่เจ็บจะไม่ได้ อาจจะได้ชั่วคราวเช่นอยากไม่แก่ก็ไปย้อมผมสัหน่อยไปดึงผิวสัหน่อยมันก็ทําให้ความแก่มันหายไปชั่วคราวะแต่เดี๋ยวอปีสองปีมันก็กลับมาใหม่นี่คือปัญญาต้องเห็นว่าไม่มีทางที่จะห้ามความแก่ได้จะชะลอความแก่ได้เอโดยวิธีการต่างๆเอย้อมผมบ้างเออ ไปนึงผิวบ้างคําสัญญกรรมตกแต่งบ้างอันนี้ก็จะชะลอความแก่ได้แต่เดี๋ยวมันก็ย่นอยู่ดีอยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ย่นเหมือนเดิมแล้วมันจะย่นไปเรื่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆไปดูคนอายุมากๆด้วยความเป็นสาวๆเป็นหนุ่มนี่เป็นดาราภาพยนตร์พออายุเจ็ดสิบแปดสิบนี่ ซาของดาราภาพยนต์นี่ไม่มีหลงเหลืออยู่เลยอันนี้คือปัญญาต้องเห็นความจริงว่ามันต้องแก่ร่างกายนี้ทำยังไงก็ห้ามมันไม่ได้เหนนเมื่อเห็นความจริงก็อย่าไปฝืนความจริงดีกว่ายอมรับความจริงปล่อยให้มันแก่ไปพอปป่งได้เ็าเรียกว่าโป่งได้ย อ, ยอมไงยอมแปลว่าโปง่งยอมรับความจริง มันก็เลยไม่เดือดร้อนกับความแก่ไปถามคนแก่ดูเลยเขาไม่เนเดือดร้อนกับความแก่เขาก็อยู่ของเขาได้ไปยุ่ไปดูคุณยา่าคุณยายเขาแก่เขา ก, เขาก็เขาก็รู้มันแก่จะทํำยังไงได้แต่ไปถามคนสาวคนหนุ่มเลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นเอาไหมไม่มีขยามเป็นกันยอมไม่ยอมเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเป็นกัน ถ้ายอมตั้งแต่ตอนนี้มันก็สบายตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไปยอมตอนแก่มันก็กว่าจะแก่มันก็ทุกข์ต้องคอยไปยอมผมอยู่เลยต้องคอยไปไปทำสัญญกรรมอยู่เลยถ้ายอมแล้วสบายตั้งแต่ตอนนี้เรายอมถ้าเราไปยอมตอนบ้านปลายนี้มันระหว่างที่ไปถึงตอนนั้นมันเราทุกข์อยู่ทั้งทุกวันทุกคืนเห็นผมงอกเส้นหนึ่งก็ทุกข์ละเห็น ผิวผิวย่นหน่อยก็ทุกข์และเห็นสิวฟ้าโผล่ขึ้นมาหน่อยก็ทุกข์แล้วร่างกายต่อไปมันก็ต้องมีฝ้ามีอะไรยิ่งแก่นี่มันจะมีจุดนู่นจุดนี่ตามตามผิวหนังทั่วไปหมดฮะนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ใจคือต้องมองเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงความจริงคือทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไปตอนต้นอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากาเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้เช่นตอนเป็นเด็กนี้เวลาตอนเป็นเด็กเราจเจริญโต๊ดโต๊ดนี่เราชอบการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นโต ว, วันโตคืนนี่ดีใจกันเพราะอยากจะเป็นโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ทําอะไรได้ตอนเป็นเด็กนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้ เห็นผู้ใหญ่เขาทำอะไรได้แต่เราเป็นเด็กทำไม่ได้เราก็อยากจะโตกันถ้าตอนตอนเป็นเด็กนี่การเปลี่ยนแปลงนี่เราชอบเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราเราอยากได้แต่พอเราโตแล้วที่นี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่อยากได้ทีนี้เราจะทุกข์แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเรามีความ เรามีปัญญาเราเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงไปยอมรับกับความจริงว่าร่างกายจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะต้องตายกันด้วยกันทุกคนถ้าเรายอมรับความจริงเห็นความจริงเรายอมรับความจริงได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะเราจะเห็นว่าถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมจะเอาแบบไหนจะเอาแก่เจ็บตายแบบทุกข์หรือเอาแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์<ม>ปัญหาของเราอยู่แค่ตรงนี้แต่เรามักจะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกให้เรารู้ว่าเราสามารถแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์ได้เาะ ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราร่างกายมันตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับมันมันแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับมันมันเจ็บเราก็ไม่ได้เจ็บไปกับมันเราเพียงแต่รับรู้ว่ามันแก่รับรู้ว่ามันเจ็บรับรู้ว่ามันตายเท่านั้นเองแต่ที่เราเจ็บก็เพราะว่าเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายความเจ็บของใจหรือความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยาก ถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่เจ็บจะไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บขนาดไหนใจที่ใจที่ไม่มีความอยากจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเหมือนกับเวลาร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนี่เป็นอะไรนี้ใจเราทุกข์กับเขาไหมใจเราเฉยเฉยเพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะมันไม่ใช่เรา เราต้องเห็นร่างกายที่เราไปหลงคิดว่าเป็นเรานี้ว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นถ้าเราสามารถมองเห็นร่างกายของเรานีน้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นได้มันเป็นอะไรมันก็จะไม่เดือดเราจะไม่เดือดร้อนเห็นไหมร่างกายคนอื่นนี่ก็เป็นอะไรเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนรู้ก็เฉยๆไปอย่างมากก็สงสารเขาเท่า น, นั้นเองแต่ยจ้ะตายก็รู้ว่าทําอะไรไม่ได้ ร่างกายเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเราต้องมองร่างกายของเรานี้<ม>ว่ามันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นมันจะเป็นอย่างไรใจเราต้องเฉยๆได้เฉยๆ ไ, ได้ก็ต่อเมื่อเราคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราเตือนใจอย่างเดียวก็ไม่พอเราต้องรู้จกักแยกใจออกจากร่างกาย ตอนนี้ความอยากความหลงมันมาผูกใจเราให้ติดอยู่กับร่างกายเราต้องใช้สติใช้ปัญญาคอยแยกใจออกจากร่างกายการใช้สติก็คือการคอยหยุดความคิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราคิดว่าร่างกายนี้ต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายเราต้องพยายามหยุดความคิดวิธีที่จะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติ สร้างสติขึ้นมาเช่นการสร้างสติก็คือการใช้พุทธโธนี่เอถ้าเราเลิกถึงพุทธโธพุทธโธในใจไปได้เรื่อยใจเราก็จะคิดเรื่องอื่นไม่ได้ใจเราคิดสองเรื่องด้วยกันไม่ได้หรอกเวลาเราทํางานนี้เราทําได้ทีละเรื่องใช่ไหมถ้าเราคิดบัญชีแล้วเราไปคิดถึงอคนคนอื่นนี้เดี๋ยวจะคิดบัญชีไม่รู้เรื่อง ถ้าเราอยากจะคิดบัญชีให้รู้เรื่องก็ต้องไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องการทำบัญชีไม่ได้คิดถึงร่งเรื่องร่างกายไม่ได้ถ้าเราสามารถอยู่กับพุโทโธได้นานๆเดี๋ยวมันหยุดคิดเองเพราะตัวที่ตัวที่ทำให้มันคิดนี่มันถูก ถูกระงับไว้ด้วยพุโทโธพุธโทโธเหมือนรถที่วิ่งอยู่เนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถมันก็ต้องจอดแต่ถ้าเราเหยียบเบรกครั้งเดียวแล้วปล่อยมันก็หยุดปับ๊บมันก็ชะลอความเร็วหน่อยพอเราปล่อยเบรกออกมามันก็วิ่งต่อไปความคิดของเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์มันวิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมพอลืมตาขึ้นมาปั๊บนี่เหมือนสตา ร, รถแล้ว พอลืมตาขึ้นมานี่ทำอะไรก่อนคิดก่อนเลยใช่ไหคิดว่าวันนี้วันอะไรจะไปทำอะไรดีแล้วก็เริ่มสั่งให้ร่างกายไปทำนูน่นทำนี่ความคิดมันเริ่มไหลไปแล้วเราถ้าเราต้องการที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดเราต้องเอาตั้งแต่ตอนที่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาพอมันจะคิดเรื่องที่ไม่จาเป็นอย่าต้องคิดครับใช้พุทโธหยุดมัน ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจแทนที่จะปล่อยให้มันคิดแล้วพอไม่คิดความอยากต่างๆมันก็จะไม่เกิดความอยากมันเกิดก็ต่อเมื่อเราคิดคิดถึงสิ่งนั้นเดี๋ยวก็อยากได้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดได้ไม่ให้คิด เราก็จะไม่ไปมีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้พอใจเราไม่อยากใจเราก็เย็นสบายแต่พอใจเราอยากขึ้นมาปั๊บเนี้ยเริ่มไม่สบายใจขึ้นมาทันทีพอคิดถึงคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นก็เริ่มไม่สบายใจขึ้นมาทันทีทั้งๆที่ยังไม่เจอหน้าเขาเลยเพียงแต่คิดเท่านั้นก็ไม่สบายใจแล้ว ถ้าคิดไปตามความอยากแล้วมันจะทำให้ใจเราไม่สบายเราจึงต้องมาพยายามคอยควบคุมความคิดเพราะการควบคุมความคิดจะควบคุมความอยากได้ควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วใจเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้าเรานั่งเฉยๆได้แล้วก็หยุดความคิดได้ด้วยพุทโธ มันจะนิ่งสงบนอกจะมีความสุขมากแล้วมันจะเฉยเฉยเป็นครตว น, นี้เราเฉยเฉยไม่เป็นเราเห็นอะไรได้ยินอะไรเราจะเกิดความรักความชังความกลัวความหลงขึ้นมาทันทีได้ยินเสียงชอบก็รักใช่ไมได้เสียงได้ยินเสียงไม่ชอบก็ชังได้ยินเสียงที่ทำให้เรากลัวก็กลัวใช่ไหม แต่ถ้าเราฝึกจิตทำจิตให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิได้ต่อไปจิตของเราจะเฉยเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็เฉยได้เห็นสิ่งที่ชอบก็เฉยได้จะไม่รักชังกลัวหลงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำจิตให้เป็นอย่างนี้ให้ได้ให้จิตเฉยให้ได้เป็นอุเบกขาเขาเรียกอุเบกขาเกิดได้ด้วยสติ มีสตินี่ควบคุมใจควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ใจก็จะเฉยได้ใจก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้แต่มันจะได้เป็นพักๆไปตามกำลังของสติแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเวลาไหนที่เรามีอุเบกขานี่สบายได้ยินข่าวร้ายก็เฉยเฉย ได้ยินข่าวดีก็ไม่ดี อ, อกดีใจก็เฉยเฉยได้ยินเรื่องภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็เฉยเฉยแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้พอได้ยินว่าจะมีภัยพวกนี้โอ้ตอนนี้วุ่นวายกันใหญ่แล้วพวกนี้น้ำจะท่วมนี้โหวุ่นวายกันใหญ่แล้วแต่คนที่มีอุเบกขาก็เฉยเฉยวุ่นวายมันก็มันก็ท่วมไม่วุ่นวายมันก็ท่วมจะทำยังไงก็อย่าไปวุ่นวาย แต่ทำอะไรได้ก็ทำขนของขึ้นที่สูงได้ก็ขนขึ้นไปถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้น้ำจะท่วมก็ขนของขึ้นชั้นสองไปของไหนขนไม่ได้ก็ต้องปงไปก็ต้องท่วมไปแต่ใจจะไม่วุ่นวายถ้าใจมีสติคอยควบคุมใจแล้วถ้าอยากจะให้ใจไม่วุ่นวายตลอดเวลานี้ต้องมีปัญญามาประกอบอีกตัวหนึ่งปัญญาจะสอนว่า ทำอะไรมันจะเกิดก็เกิดจะไปทำยังไงได้น้ำจะท่วมจะไปห้ามมันไม่ให้ท่วมก็ไม่ได้มันท่วมก็ปล่อยมันท่วมไปแกะขนของได้ก็ขนไปขนไม่ได้ก็ทิ้งมันไปทำยังไงได้ให้คิดอย่างนี้ถ้ามีปัญญามันจะเห็นว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิด ไปอยากให้วุ่นวายใจเปล่าๆก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือปัญญาปัญญาจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติหมดถึงแม้ว่าจะเกิดจากคนคนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคนจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็เหมือนเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนลมพัดเหมือนฝนตกเหมือนแดดออกเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะเกลียดเราเราก็ไปสั่งให้เขาไม่เกลียดเราไม่ได้เขาจะรักเราเราจะไปสั่งให้เขาไม่รักเราก็ไม่ได้เราบางทีคนที่เขามารักเราเราไม่รักเขาเนี้ยทำยังไงเมื่อเขาจะรักก็เรื่องของเขาเขาจะเกลียดก็เรื่องของเขาเราเฉยๆซะอย่างเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของปัญหาของพวกเรา ปัญหาของพวกเราคือขาดปัญญาไม่เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีมามีไปมีเกิดมีดับมันเป็นธรรมชาติห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ห้ามมันให้เกิดไม่ได้อะไรมันจะดับไปห้ามมันไม่ให้มันดับก็ไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง ปล่อยวางยอมรับความจริงมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็เจ็บไปเพราะของต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่มันไม่ได้มาเปลี่ยนเราเลยเรานี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือใจเรานี่ก็เป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนเดิมแต่ต้องมาวุ่นวายกับไอ้เรื่องที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะเราไปหลง ไปไปหลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนี้จะทำให้เรามีความสุขแต่แทนที่จะทำให้เรามีความสุขกับทำให้เรามีความทุกข์กันมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีไม่ใช่สุขนะแต่เรามักจะคิดว่าสุขกันได้คนนี้มาเป็นแฟนแล้วจะมีความสุขแล้วเป็นไงอยู่กันไม่นานเนะสุขหรือทุกข์กัน มันมีทุกหลายแบบทุกเพราะความหวงทุกเพราะความห่วงทุกเพราะเกลียดกันอยู่ไปนานๆดีไม่ดีกับเกลียดกันก็มีมันมีแต่ทุกเพราะต้องพัดพากจากกันแต่ถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์กับภรรยาไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกไม่มีเงินก็ไม่ต้องทุกข์กับเงิน อยู่ไงไม่มีเงินเค่ยอยู่เงินอยู่แบบไม่มีเงินอยู่ได้ไงก็อยู่แบบพระ่งไปบวชไปบวชนี่ไม่ต้องมีเงินมีของฟรีใช้ของฟรีกินทุกวันไม่ต้องมีเงินพอไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์กับเงินเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงก็ไม่เดือดร้อนองนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้น กเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงมีมามีไปมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากดีไปเป็นไม่ดีถ้าเรารู้แล้วเราก็หัดอยู่คนเดียวดีกว่าวิธีจะอยู่อยอยู่คนเดียวโดยไม่มีอะไรได้ก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมาหยุดความคิดเนี่ยต้องมาฝึกพุทธโธกัน มาหัดพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทำอะไรหยุดความคิดให้ได้คอยควบคุมความคิดแล้วความอยากมันจะจางจะเบาจะหายไปแล้วอยู่เฉยๆก็เกิดมีความสุขเพราะว่าเวลาใจไม่ทำอะไรไม่คิดลายใจมันจะสงบมันจะนิ่งมันจะเฉยความสุขของใจอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ความนิ่งอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความเฉย เกิดจากการมีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอันนี้ก็จะทำให้ใจเราสุขแล้วถ้าเกิดใจเราไปอยากได้อะไรเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยแก้บอกว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์นะเพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องหมดไปมันจะต้องมีการพัดพรากจากกันเวลาได้อะไรมาใหม่ๆมันก็ดี แต่พอใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็เสียใช่ไหมรถยนต์นี้เวลาซื้อมาใหม่ๆนี่ใช้ได้ดีใช้ไปได้เรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เริ่มมีปัญหาแล้วเดี๋ยวมันเสียตรงนั้นเสียตรงนี้จะขับไปนู่นมานี่ก็ไปไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจะต้องเสื่อมจะต้องเสียจะต้องมีปัญหาตามมาถ้าไม่อยากจะมีปัญหาก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีมันอยู่แบบไม่มีก็ได้ คนที่มีความสงบนี้อยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้แมนะ้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีใจที่สงบนี้ไม่ต้องมีร่างกายเพราะใจมีความสุขในตัวมันเองใจที่มีความสงบนี้จะมีความสุขในตัวมันเองเมื่อมันมีความสุขในตัวม sure. <t> ันเองมันก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขมาให้ใจที่ไม่มีความสุขนี่แหละที่ต้องไปมีร่างกายอยู่เรื่อย เพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับมันถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถไปเที่ยวได้อไปมีแฟนได้อก็เลยต้องมีร่างกายแต่พอไปมีร่างกายแล้วก็มีทุกข์ตามมาทุกข์ของร่างกายทุกข์ของทุกข์ ก, กับของที่เราได้มาเพราะของที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องเสียต้องเป็นอะไรไปงั้น ปัญหาของเราอยู่ที่ว่าเราทำใจของเราให้สุขไม่เป็นแต่เรารู้จักวิธีทำใจของเราให้มีความสุขแล้วปัญหาต่างๆที่เรียวมีกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะหมดไปเพราะว่าเราจะไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันไม่ต้องใช้มันเพราะเรามีความสุขในตัวเรา เราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขให้กับเราทุกวันนี้ที่เราเดือดร้อนเวลาร่างกายเป็นอะไรก็เพราะว่าพอร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขได้เวลาไม่สบายเป็นไงไปเที่ยวได้ไมไม่ได้แล้วเวลาพิกลพิการนี้ไปทำาอะได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยต้องอาศัยร่างกาย แต่ถ้าเรามาฝึกสติเป็นมาทำใจให้สงบเป็นมาหยุดความอยากด้วยปัญญาเป็นใจของเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นพอเรามีความสุขในใจแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายร่างกายนี้ตายไปก็จะเป็นร่างกายสุดท้ายจะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีก พอรว่ากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเจอปัญหาอันเดิมปัญหาอันเดิมก็คือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเดิมอนนี่แหละคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องต้องรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายต้องรู้ว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรถ้าเรารู้จักวิธีหยุดความคิดหยุดความอยาก หยุดความต้องการสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เราก็จะไม่ต้องอมีความทุกข์กับอะไรเราจะมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นความสุขที่จีรังถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเราไม่มีวันตายพอสุขแล้วก็จะสุขไปตลอดอย่างใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุขมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ย ที่ยังสุขอยู่เรื่อยๆใจของพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายที่จะมาติดต่อกับพวกเราได้เท่านั้นเองพวกเราที่ติดต่อกันได้ตอนนี้เพราะเรามีร่างกายพอเราไม่มีร่างกายเราก็ติดต่อกับคนที่มีร่างกายไม่ได้แล้วออแต่ไม่ได้หายไปไหนใจก็อยู่เหมือนเดิม อยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบไม่ติดต่อกับใครเท่านั้นเองแต่ใจที่มีความสุขก็ไม่อยากจะติดต่อกับใครติดต่อให้เหนื่อยทําไมติดต่อแล้วมันได้แต่ความทุกขนะ์พอไปคุยกับใครเดี๋ยวก็มีเรื่องทุกข์มาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันละคุยกันเดี๋ยวเดียวใหม่ๆก็ดีใจได้คุยกันคุยไปคุยมาเดี๋ยวคุยผิดเรื่องเข้ามาก็ทะเลาะ ก, กันนะอยู่คนเดียวอะ่ะดีที่สุด ทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขแล้วจําหมดปัญหาจะไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้พอรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติตา น, นี้รู้แต่ยังทาไม่ได้เหมือนรู้วิธีหุงข้าวแล้วแต่ยังไม่ได้หุงต้องลองไปหุงดูดูว่าหุงแล้วสุกหรือไม่ ถ้าลองไปทำเนะ้อลองผิดลองถูกเดี๋ยวมันก็ได้เองนะแต่ถ้าไม่ทำก็ยังไม่ได้ข้าวกินอะถ้าอยากจะกินข้าวพอรู้จักวิธีหุงข้าวแล้วก็ต้องไปหุงเองนะอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้รู้วิธีทำใจให้เรามีความสุขว่าทำใจให้เราไม่ต้องทุกกับอะไรแล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็คือต้องไปทำไปหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ไปพุโทโธทั้งวันทั้งคืนให้ได้แล้วรับรองได้ว่าต่อไป ใจของเราจะมีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆที่เคยมีจะหายไปหมดนะเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวะหาปุราปริปุเรติสักลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอ an ิทิตังปะิต um ังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควิณัสสตุมาเตภวะโตอันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ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 วิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดรับฟังข้างบนนี้หกสิบห้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดครับช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้พูดใกลๆปากหน่อยนะไมโครโฟนมันเพิงจะดังกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือตอนนั่งสมาธิค่ะ ถ้าสมมตินั่งตั้งประมาณหนึ่งชั่วโมงจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไระคะ่ะพอเริ่มชั่วโมงที่สองก็เลยลองลองต่อดูอะคะ่ะพอประมาณชั่วโมงที่สองมันจะมีความเจ็บปวดเวทนาหยาบพุ่งขึ้นมาก็คือรับรู้เสร็จแล้วมันก็เริ่มหายไปแล้วมันจะขึ้นมาอีกประมาณสองสมครั้งแต่มันค่อยๆ อ, อ, อ่อนลงอ่อนลงอย่างเงี้ยคะ่ะคืออยากจะถามว่าถ้ า, าสติกับอุเบกขาเราเข้มแข็งเนี่ย เวทนาพวกนี้จะไม่พุ่งขึ้นมาขณะเราทำสมาธิเลยใช่ไหมคะคือถ้าจิตสงบเต็มที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตไม่สงบเต็มที่มันก็มีการรับรู้เวทนาได้แต่ถ้าจิตเรายังมีอุเบกขาอยู่จิตเราก็เฉยกับมันได้คือรบับรู้เฉยๆไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายแต่ถ้ามันเกิดอาการ เดือดร้อนแสดงว่าอุเบกขาเราหมดเราก็ต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาใหม่ท่องพุโทโธพุธโทโธไปใหม่อย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะกลับมาเป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายอีกครัค่ะถ้าสมมุติเรามีอุเบกขากับความเจ็บปวดนั้นนะคะแต่ว่ายอยากจะทราบว่า ถ้าจะให้เวทถ้าเราสามารถนั่งจนให้เวทนาไม่ไม่มีออกไม่มีมาเลยขณะที่เราทำสมาธิค่ะเราจะสามารถทำได้ไหมคะหรือว่าจะต้องทำคือเซิร์ชในกู o g l e คื อ, คอบอกว่าจะต้องถึงนิโรธสมาบัติก่อนถึงจะตัดได้หมดจริงหรือเปล่าคะก็ไม่ต้องเราให้จิตสงบเป็นสมาธิเวทนามันก็เข้ามาไม่ได้แล้วงแต่ว่า มันเป็นของชั่วข่าวสมาธิมันเข้ามาจิตสงบเวทนาก็เข้ามาไม่ได้เดี๋ยวพอจิตถอนออกมามันก็ไปรับรู้เวทนาใหม่วิธีที่จะทำให้จิตเราไม่เลือนล้านกับเวทนาก็ต้องใช้ปัญญาศึกษาธรรมชาติของเวทนาว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ เหมือนดินฟ้าอากาศนะฝนตกแดดออกมันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะไปจัดการกับเขาปัญหาของเราอยู่ที่เราอยากจะไปจัดการกับเวทนาอยากจะกําจัดทุกขเวทนาตัวทุกขเวทนาไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยาก ที่จะจัดการกับทุกเวทนาให้หายไปซึ่งทำไม่ได้มันก็เลยทำให้เราทุกเวลาที่เราเจอทุ ก, กเวทนาแต่ถ้าเราไม่มีความทุกไม่มีความอยากที่จะไปจัดการกับทุกเวทนามันจะมาก็ปล่อยมันมาไปอยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนต่ดอดไปเราจะอยู่กับเวทนาได้ตอนนี้เราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ชอบมัน เราต้องการกำจัดมันพอเจอมันก็เลยเครียดขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากำจัดมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะเครียดเราต้องทำใจเฉยๆยอมรับมันไปพอยอมแล้วใจก็จะหยุดต่อต้านหยุดความอยากพอหยุดความอยากแล้วใจก็จะเย็นก็เรียกว่ายอมหยุดเย็นสูตรสามยอมยอมกับเหตุการณ์ยอมกับเวทนา ยอมให้มันมายอมให้มันไปยอมให้มันอยู่มันจะมาแบบไหนก็ปล่อยมันไปจะมาแบบสุขก็ปล่อยมันมาจะมาแบบทุกข์ก็ปล่อยมันมาจะมาแบบไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันมาปล่อยวางนับรู้เฉยๆแล้วเราต่อไปจะไม่เดือดร้อนกับเวทนาทั้งสามตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเราอยากจะให้แต่สุขเวทนามา พอสุกเวทนาไปเราก็ทุกพอเราอยากจะให้มันกลับมามันแต่มันไม่กลับมาพอทุกขเวทนามาเราก็ทุกเพราะเราไม่อยากให้มันมาเราะฉะั้นเราต้องมากําจัดความอยากไม่อยากนี่ปล่อยให้มันมาให้มันไปแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าไปนิโรธสมาบัติอยู่กับความทุกข์ได้ ค่ะออีกสองคำถามนะคะคือมันปัญหาบางเรื่องอะคะ่ะเวลาที่มีปัญหาแล้วจะมีเวท น, า ข, น, า, น, วน า, าขึ้นมาเป็นเวทนาหยาบขึ้นมาแต่ว่าพอรู้ตัวก็มันสามารถหยุดไปได้แต่มันเป็นแค่หยุดเพราะว่าเราใช้สติให้มันหยุดนะคะแต่ว่ามันไม่หายไปแล้วก็เวลาที่จะพิจารณาค่ะพิจารณาได้ไม่นานมันก็ มันมันยอมรับไม่ได้ในอันอันนี้กดใจรักมันก็เหมือนจะไม่ยอมรับกับปัญห า, าบางอย่างอะค่ะแต่มันยังไม่ยอมรับก็ต้องหยุดความคิดไว้ก่อน อ, อย่าให้มันคิดเยอะหยุดปรุงแต่งหยุดใช้ปัญญาแล้วก็มาใช้สติแทนพุทโธพุทโธไปอใช้พุทโธหยุดมันพอหยุดมันปั๊บใจก็จะหายทุกแล้วต่อไปพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาใหม่ ต่อไปมันยอมรับเองถ้ามันไม่ยอมรับก็หยุดมันด้วยสติไปค่ะคำถามสุดท้ายนะคะ <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงอะคะ่ะอยากจะอยากจะออกบวชหนูกังวลเรื่องของข้อจำกัดระหว่างการเป็นผู้หญิงะคะ่ะเพราะว่าอย่างในวัดป่าเวลาที่พระบวช <c oughs> ก็จะมีครูบาอาจารย์สอน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าแม่ชีหนูไม่แน่ใจว่า เวลาเราปฏิบัติจะมีครูบาอาจารย์หรือเปล่าเออมีต้องไปหาสำนักที่มีครูบาอาจารย์สอนะมีน้อยแต่ก็หามีอยู่ลองค้นหาดูนั้นจะไม่มีแม่ชีบวชกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ต้องมีสำนักนี่ไม่ว่าจะแม่ชีกับพระมันก็เหมือนกันพระที่บวชแล้วไม่มีครูอาจารย์สอนก็เยอะแยะไปแม่ชีที่บวชแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สอนก็เยอะแยะไป พวกที่มีก็มีแต่น้อยไม่มากครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัตินี่จะหายากมีน้อยแต่ยังมีอยู่ลองเข้าไปค้นหาวัดปฏิบัติดูแล้วก็ลองไปสัมผัสต้องไปอยู่ไปอยู่ไปพบกับคนที่อยู่ที่นั่นแล้วค่อยถามกันอแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าวัดไหนอมีครูมีอาจารย์คอยสอนเออ ขอบคุณค่ะออออออต้องค้นหาเอาหน่อยต้องเสาะแสวงหาอยากจะถามเลยอ่าส่งไมโครโฟนไปพูดใกล้ปากหน่อยนะครับครรมนัการพระอาจารย์ครับ อ, อ่สอบถามเรื่องการออกจากสมาธิครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันมีอาการเหมือนว่ามันนิ่ง นิ่งหรือรู้ตลอดตอนที่ออกจากสมาธิแล้วครับเ อ, อใหม่ๆ ม, มันจะเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวพอเราไปคิดไปเห็นอะไรเดียวมันก็หายไป เดี๋ยวนี้เรียกว่าตัวตัวฌนหฮะหรือยังฮะที่หลังจากออกตสมาที่แล้วนะครับขับรถปกติอะไรออกไปข้างนอกมันก็ยังมันยังนมันน้ำเย็นที่แช่ในตู้เย็นนะครับพอออกมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่อบจิตที่อยู่ในสงบมันก็เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆมันก็ยังสงบอยู่คแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะให้มันสงบก็ต้องเข้าไปใหม่อ ถ้ามันยังสงบอยู่ก็ดีถือว่าดีทุกต้องทุกทางพยายามรักษาประคองนนให้มันสงบนานๆพิธีที่อยากให้มันสงบนานๆก็ใช้สติช่วยพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิด อ, อย่าปล่อยให้มันอยากหรือถ้ามันอยากถ้าใช้ปัญญาได้ก็หยุดความอยากว่าทุกอย่างที่เราอยากเป็นทุกเป็นไตรลักษณ์ แล้วก็จะเฉยๆต่อได้ครับอ๋อถูกครับอีกคําถามหนึ่งครับเเออ่มืก่อนสิ้นเดือนที่ผ่านสิ้นปีที่ผ่านมาผมไปบวชช่วงระหว่างปมผมเนี่ยก็เกิดอาการปิติตรคือน้ําตาไหลระหว่างที่บวชเนี่ยก็สวดมนต์เนี่ยก็จิตน้อไมไปบทสวดร่าการก็น้ําตาไหลเวลาน้อมที่ไรน้ําตาไหลทุกทีแล้วก็หลังจากที่เสด็จออกมาก็น้ําตาไหลแล้วก็หลังจากมาอยู่เพศคาววะแล้วเนี่ยมามาพบในสิ่งอะไรที่มันเศร้าอย่างผมวันหนึ่งขับรถ จนนวิลาบตายเงี้ยมันก็เกิดอาการเศร้าใจนะครับอาการพวกนี้คืออาการอะไรครับรอาจารย์ครับก็การประทับใจของเรานะใจของเราเวลาประทับ ใจกับอะไรมันก็จะน้ำตาไหลครับก็เป็นอนิจจังมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามันไม่เลยทำให้เราทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรน้ำตาแบบสุขก็มีน้ำตาแบบปิติก็มีนี่มันเป็นการปฏิกิริยาของใจเราต่อเหตุการณ์ต่างๆถ้ามันไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นทุกข์ก็ต้องแก้ ครับไม่ไม่ไมกครัเมื่อก่อนไม่เป็นนะอาการมันเป็นช่วงช่วงหลังเนี่ยครับใช่บางทีจิตใจมันซาบซึ้งมันถึงสัตย์จะทำความจริงมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกเอ่อนะเิ่มน้ำตาไหลอะไรไปทำนองนั้นเปิ่มปิติหรือสลดสังเวทก็ได้มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่าง ครับครับไม่เสียหายไ ม, ไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายเลยครับครับรบรบบคคุณคัเหมือนเวลาฟันเข้าตาน้ําตาก็ไหลเหมือนกันไหลได้หลายแบบแต่อย่าไหลแบบกิเลส ก, ก็แล้วกันถ้าทุกข์เพราะว่าเสียใจโกรธคนนั้นโกรธคนนี้แล้ อ, อทุกข์นี่น้องหมน้องห้า่แบบนี้ต้องแก้ครับครับครับการดำเนินการขอบคุณครับเก้าเก้าพูดใจกายปากนั่นอันนี้ ไโครฟนเข้าปการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะสอบถามว่าพุทโธไม่หายอาจารย์ค่ะแบบพุทโธพุทโธแบบตอนนั่งสมาธิแบบแล้วจิตไม่ยอมปล่อยมันเหมือนแต่ว่าไปจดจ่อกับคําบริกรรมแล้วไม่ยอมปล่อยวาปล่อยให้มันอยู่กับบริกรรมไปเดี๋ยวมันสงบมันปล่อยเองถ้ามันยังไม่สงบมันอยับอย่าปล่อยมันให้มันพุทโธไปเรื่อยเหมือนกินข้าวกินไปเรื่อย เดี๋ยวมันอิ่มแล้วมันหยุดกินเองโอ้ค่ะ้ามันยังไม่สงบมันก็ยังไม่ปล่อยเดี๋ยวถ้ามันสงบปั๊บมันจะปล่อยที่มันยาเหมือนตกลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งไปอ๋อค่ะไม่ต้องกังวลขอให้มีพุทโธไว้น่ดีวอย่าไปอยากให้มันหายให้มันหายเองอย่าไปหายด้วยความอยากของเราอ๋อค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากคุณพิมพร หนูจะทานมังสวิรัตในวันพระค่ะกราบเรียนถามว่าการที่เราได้ทานมังสวิรัตในวันพระเราจะได้รับผลดีต่อชีวิตของเราไหมเจ้าคะก็เหมือนวัวควายนะวัวควายมันก็มังสวิรัตทุกวันไปถามมันดูว่ามันได้ผลยังไงบ้างใช่ไหม วัวควายมันก็กินผักกินหญ้าใช่ไหมคนเราก็จะเอาแบบวัวควายก็กินมังสวิรัตมันก็จะได้เป็นเหมือนวัวควายมันไม่ได้ทำให้มีศีลหรือไม่มีศีลการกินเจกินมังสวิรัตนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องศีลนี่ต้องไม่ทำต้องวิรัตที่ศีลไม่วิรัตด้วยการฆ่าไม่ใช่วิรัตด้วยการกิน การกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไม่ได้ทําให้มีศีลหรือไม่มีศีลการที่จะมีศีลและไม่มีศีลต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่สั่งให้เขาฆ่าให้กับเราะเช่นไปสั่งร้านไว้ว่าพวกนี้เอาไก่สามตัวอย่างงี้ไม่ได้แต่ถ้าเราขายข้ามันไก่แล้วอยากจะมีซื้อไก่แล้วก็ไปที่ตลาดแล้วก็ดูมีไก่ตายหรือเปล่าถ้ามีไก่ตายเราก็ซื้อมาอย่างงี้ก็ไม่บาป กินก็ไม่บาปแต่อย่าฆ่าท่านเอง อ, อย่าฆ่าเองหรือสั่งให้คนอื่นฆ่าให้กับเราถึงจะาบาปคำถามต่อไปจากคุณธรรมนูน การนั่งสมาธิครั้งและสั้นๆแต่หลายๆครั้งในหนึ่งวันกับการนั่งครั้งและนานๆแต่น้อยครั้งกว่าโดยเวลารวมของทั้งสองแบบเท่ากันทั้งสองแบบนี้ให้ผลต่างกันหรือไม่อย่างไรครับก็ลองทำดูดิมันปฏิบัติมันก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นยังไงเช่นทำทำกับข้าวแบบนี้รสชาติแบบนี้ ทำแบบนั้นรสชาติแบบนั้นก็ลองเปรียบเทียบดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันใช่ไหอคนทําต้องรู้เองนะเรื่สันติติโกมาถามคนคนไม่ทําได้ยังไงก็เราปฏิบัติเราก็ต้องลองผิดลองถูกดูอันไหนมันดีกับเราก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าสรุปง่ายๆก็คือทํามากๆทํานานๆทาบ่อยๆดีที่สุด อย่าไปเลือกว่าทําสั้นๆยาวๆเปรียบเทียบกันเลยทําให้มันมากๆทาบ่อยๆทําเรื่อยๆทําให้หยุดเนี่ยทําแบบนี้ยดีที่สุดนคําถามต่อไปจากคุณพัชราในทางโลคที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าถ้าในทางธรรมสาเหตุที่เป็นโรคนี้เพราะอะไรเป็นเหตุเจ้าคะ่ะก็เพราะปิดหวังนะสิปิดหวังมันก็เศร้าเไย พออยากได้อะไรพอไม่ได้ก็เศร้าพอเสียอะไรไปก็เศร้าเสียสิ่งที่เรารักไปก็เศร้าอยากได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้มาก็เศร้าพอมันไม่ได้บ่อยๆมันก็ซึมก็ไปใหญ่ก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปอยากได้อะไรให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วมันก็จะไม่เศร้าซึมเศร้าเพราะว่ามันผิดหวัง อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ไม่ได้หรือสูญเสียสิ่งนั้นเสียสูญเสียสิ่งนี้ไปไม่ได้คืนมันก็เศร้างั้นปัญหาก็คือความอยากนี่เองอย่าไปอยากแล้วมันจะไม่สิ้เศร้ายินดีตามมีตามเกิดแล้วมันจะสุขได้มากได้น้อยก็สุขแต่ถ้าอยากได้มากพอได้น้อยก็เศรางั้นอย่าไปอยาก คำถามต่อไปจากคุณมิลินดาพอดีซื้อบ้านมือสองมาแล้วมีสารตายายอยู่ใจนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงไม่ได้ดูแลสารแบบนี้เราจะรื้อออกเองได้ไหมครับหรือว่าต้องไปจ้างพราหมณ์มาทำพิธีกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่ครับแต่ตอนเวลาทำบุญก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านครับ ก็แล้วแต่เราเราทํำยังไงทําำเราสบายใจเราก็ทําอย่างนั้นไปก็แล้วกัน mm. แต่ถามว่ามีอะไรไหม mm. ไม่มีหรอกเป็นความเชื่อ mm. ไม่มีสีสางเทวดาไปอยู่บ้านบ้านหลังนั้นหรอก mm. เทวดาเขามี mm. เขามี mm. วิมานทิพย์ใหญ่โตวสวยงามกว่าไอ้ mm. บ้านศาลเจ้าโกโลโกโสที่เราสร้างให้เทวดาอยู่กัน mm. Mm. วิมานทิพย์ของพวกเทวดาก็คือบุญพวกที่เขาทําบุญนี่แหละเขาจะไปมีวิมานทิพย์ในสวรรค์กันเป็นเทพเป็นเทวดากันที่เรามาสร้างบ้านเล็กๆให้มันเขาอยู่เขาไม่มาอยู่หรอกเราเห็นเรายังไม่อยากจะอยู่เลยใช่หมหลังจากจเข้าไปอยู่ในในสารที่เขาทำํำสารวัภูมิโอ้ยแเราไปเชื่อกันเอาเองนั่นเองไม่มีหรอก มันไม่ใช่ที่อยู่ของผีสางเทวดาผีสางเทวดาเขาไม่มีร่างกายเหมือนเรามันเป็นที่อยู่ของนกมากกว่าเนี่ยมันสร้างเหมือนเหมือนเหมือนที่อยู่ให้นกมาอยู่มากกว่าใช่ไหมนั่นอะ่ะเป็นที่อยู่เหมาะสมกับพวกนกพวกแม่พวกมแมลงต่างๆอแต่พวกที่เขาไม่มีร่างกายเขาไม่มาอยู่เราที่เหล่านั้นคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ลูกปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านชอบกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังเป็นประจำบางทีก็ตะโกนโวกเวกลูกจะแผ่เมตตาเช่นไรเจ้าคะบางทีก็หงุดหงิดเสียงแทบทนไม่ไหวคะ่ะอ๋อก็คิดว่ามีหมามันมาหาวหอนอยู่ข้างๆบ้านเราก็แล้วกัน <laughs> คิดว่าเป็นหมาพวกคนที่เดื่มชวรานี่ก็เป็นพวกหมานะเป็นเดรัจฉานไม่มีศีลเนี่ย เราไม่มีศีลก็ไม่เป็นมนุษย์เป็นพวกเดรัจฉานไม่สนใจกับความเดือดร้อนของผู้อื่นมันอยากจะเห่ามันอยากจะหอนมันก็เห่ากันไปหอนกันไปก็ต้องคิดว่าเป็นสุนัขแล้วเราจะได้สบายใจพตอนนี้มีพวกสุนัขมันมาเห่ามาหอนที่วัดบางทีตอนคืนตอนเช้าพอพระตีละค้างนี่โอ้โหมันหอนกันเห่ากันทั้งทั้งวัดเลย คำถามต่อไปจากคุณภัยทูลเงินที่เราได้มาโดยไม่ชอบการที่เราเอาเงินนั้นมาทำบุญจะได้บุญไหมครับได้แต่ความไม่ชอบก็ยังติดอยู่บาปที่เราทำไว้ก็ยังติดอยู่ยังต้องใช้บาปนั้นอยู่ บุญก็เป็นส่วนของบุญไปบาปก็เป็นส่วนของบาปดีกว่าเอาเงินที่ไม่ชอบไปเที่ยวไปกินไม่มีบุญเลยแต่ถ้าเอาเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบไปทําบุญบุญก็ยังพอที่จะมาะต้านบาปได้เพราะเวลาเราตายนี่บุญกับบาปมันจะมาคิดบัญชีกันใครมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจเราไปบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงไปอบาย บุญมีกาลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปทางดึงไปทางสวรรค์ไดอ้อย่างถ้าเราอยากจะให้บาป ท, ที่เราได้จากเอาเงินที่ไม่ชอบมาก็ต้องทำบุญให้มันหมดมันถึงจะล้างกันได้มันถึงจะเท่ากันแล้วไม่ไม่ล้างกันแต่มันเป็นการสร้างบวกให้เท่ากับลบไปทาไปขโมยเงินเง้ามาร้อยอย่างนงี้แล้วเราก็เอาเงินล้อยนี้ไปทำบุญหรือไปคืนเจ้าของก็ได้มันก็ทาให้อ่ เรามีบุญร้อยหนึ่งแล้วเรามีบาทรร้อยหนึ่งมันก็มันก็เท่ากับศูนย์แต่มันไม่หายบาทก็ยังมีอยู่บุญก็ยังมีอยู่คําถามต่อไปจากคุณภาคินเรื่องของทรมลูกฟักนี้เหตุใดถึงเกิดขึ้นได้และมีลักษณะอาการเช่นไรครับโอ้ยเราไม่รู้เรื่องหรอกพรมลูกฟักเป็นอะไรไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังต้องไปถามกูเก้าดูก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลานั่งสมาธิมักมีอาการเคลิ้มเคลิ้มสบายคลายหลับทั้งที่ไม่ได้หลับรู้ตัวตลอดเวลาอาการเช่นนี้ปฏิบัติผิดหรือไม่เจ้าคะก็กำลังจะหลับนะสิมันไม่หลับแต่กำลังใกล้จะเข้าสู่ความหลับถ้ามันเคลิวัสแสดงว่าสติมันอ่อนต้องรีบพุโทโธพุโทโธ ถ้าดูลมแล้วมันเคลิมบางทีต้องใช้พุโทโธแทนท้องพุโทโธพุโทโธพื่อดึงสติกลับมาให้มันเต็มร้อยมันกำลังค่อยๆจะลดลงไปลดลงไปถ้ารู้สึกเคล้มๆเมนี่แล้วถ้าดูลมก็ควรจะหยุดดูลมแล้วกลับมาพุโทโธพุโทโธคำถามต่อไปจากคุณพงษ์ บุญที่เราทำยังลดลงได้แล้วกรรมที่ทำไว้จะลดลงได้ไหมเจ้าคะได้เมื่อใช้มันแล้วก็ลดได้เช่นไปเกิดเป็นเดราาัจฉานนี่มันก็จะลดลงไปไปอยู่ในในนรกมันก็จะลดลงไปแล้วเดี๋ยวพอมันหมดมันก็จะปล่อยเราก็จะออกมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้คำถามต่อไปจากคุณปัตมา ถ้าเราสวดมนต์ในห้องพระทุกวันสวดบทอัญเชิญเทวดาจะมีเทวดามาร่วมสวดมนต์ด้วยจริงไหมเจ้าคะไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องถามสิเวลาสวดแล้วถามเทวดามีเทวดาองค์ไหนมาบ้างหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องที่เขาพูดกันมาทำกันมานก็ต้องลองดู แต่เรื่องเทวดามีจริงไม่มีจริงเรื่องเทวดามาฟังทรรมจากพระพุทธเจ้านี้มีไม่มีจริงแต่เรื่องเทวดามาฟังเราสวมดมนต์นี้ไม่รู้ว่าเราเสียงเราไพเราะขนาดที่จะดึงเทวดามาได้หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนกับเขาจัดคอนเสิร์ตนี้ถ้าคอนเสิร์ตคนร้องมันร้องไม่มีหรือร้องไม่เข้าเรื่องมันไม่มีคนไปฟังแต่ถ้าคนร้องนี่มีชื่อมีเสียงนี่ใครๆก็อยากจะไปฟัง เราก็ต้องดูว่าเรามีชื่อเสียงหรือเปล่าเทวดารู้จักเราหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักอาจจะต้องไปเปิดเฟซบุ๊กบอกเทวดาบอกข้าน้อยจะสวดมนต์ให้เทวดาฟังเทวดารูปไหนอยากจะฟังก็มาได้นะ เ, เวลานั้นเวลานี้ถ่ายทอดสดเลยคำถามต่อไปจากคุณกริยา ถ้าโยมอยากสั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์แล้วนําไปถวายที่วัดเพื่อแจกให้ญาติโยมเป็นธรรมทานตามสมควรได้ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเป็นหนังสือแบบไหนเพราะหนังสือธรรมะมันมีหลายรูปแบบด้วยกันระดับอนุบาลระดับปถมระดับมัธยมระดับมหาลัยเห็นถ้ามันไม่เหมาะสมกับที่นี่เราก็จะไม่แจกเราก็จะส่งไปให้ที่อื่นเขาแจากถ้ามันเหมาะสมเราก็จะแจก ถ้าเป็นของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนี่ก็ก็จะแจกแต่ถ้าเป็นสายอื่นนี่ไม่รู้ก็อาจจะส่งไปให้ที่ทอื่นเขาแจกเพราะเดี๋ยวมันจะสับสนกันเดี๋ยวสอนไล่สอนหลยระดับคนมาศึกษาเลยงงว่าอันนี้ระดับไหนกันแนะ่ มันต้องเป็นหนังสือที่ไปในแนวทางเดียวกันถ้ามันไปนแนวทางที่เราสอนก็โอเคถ้ามันไปคนละแนวทางไปเรื่องสา ร, รพบุรุไปเรื่องเทวดานี่ก็คงไปคนละทางกันคำถามต่อไปจากคุณวรวรรณอยากจะทราบว่าแฟลชไดรฟ์ที่แจกนี้ใช้ขนาดกี่กิกะไบต์ครับสามสองก็บรรจุเทที่เท ท, ท, ทุกวันนี้ได้หนึ่งเปี แล้วก็มีวีดีโอแถมอีกประมาณสี่สิบไฟล์แต่เป็นวีดีโอขนาดเล็กเปิดเฉพาะจอเล็กๆในในรถยนต์ได้ถ้าเปิดในคอมพาพมันจะมัวมันจะไม่ชัดแต่ก็พอดูได้หมดแล้วเลย okay. มีอะไรอีกไหม mm hmm. หนูวันนี้เข้าใจอย่างที่ถามหนูได้มีแฟดได้เล่นหรือเปล่า